พุทธรัสวัสดีค่ะตันฟังที่ครบค่ะเราอยู่ในช่วงเวลาของรายการสรรสนีสนทนาแล้วนะคะพอตีห้าย่างเข้ามาปุ๊บในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเราก็จะมีพุทธวจนะนำเสนอในลักษณะต่างๆนะคะเป็นการนาปฏิบัติบ้บางเป็นการอ่านพระสูตรเต็มๆให้ฟังบ้าง แล้วก็เป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะซึ่งในส่วนนั้นก็จะตอบคำถามของท่านฟังที่ได้ถามกันมาเรามาพบกับพระมาร์ชาคาวโรซึ่งจะมานำในสองส่วนแรกก่อนนะคะน้ำสศ ก, การาคะท่านคะเจริญพรเชาวันนี้เราก็มาเข้าใกล้ชิดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มากยิ่งขึ้นทาความรู้จักกับพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาเจริญอาณาปานาสติ ทำความเพียนเผากิเลสทําจิตให้หลุดพ้นมาสแสวงหาสิ่งที่พระองค์บอกว่ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วทุกคนควรจะสแสวงหาคือสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือมรรคผลนิพพานอันเป็นธรรมที่ไม่มีความเกิดไม่มีความตายเพราะเมื่อเราสแสวงหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องเกิด ก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นทุกข์ที่สุดนั่นคือทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายและเราสามารถแสวงหาสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอุปรกรณ์ทั้งหลายคือกายกับใจของเราง่ายๆนี่เองดังนั้นเราก็มาเจริญอาณาปานสติกันตามแบบที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้คือเรานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบ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 หายใจเข้าและหายใจออกหากจิตหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามความสุขความทุกข์อดีตและอนาคตพระองค์ก็ให้เรารีบวางความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทีแล้วให้เรากลับมามีสติแะระลึกรู้อยู่กับลมหายใจ วันนี้จะนำประสู์เรื่องที่ว่าพระองค์ตรัสว่าที่นั่งนอนยืนเดินแบบใดที่เป็นทิพย์โดยมีผู้ที่ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญที่นั่งนอนสูงใหญ่อันเป็นทิพย์ซึ่งในบัดนี้พระโคโดมผู้เจริญได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยาก โดยแม่ลำบากนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระองค์ตรัสตอบว่าพรามในกรณีนี้เราเข้าอาศัยบ้านหรือนิคมใดอยู่เวลาเช้าครองจีวอเที่ยวบินทบาตในบ้านหรือนิคมนั้นครั้นเวลาหลังอาหารกลับจากบินธบาตแล้ว เที่ยวไปตามแนวป่าเรานั้นวัตถุใดมีอยู่ในที่นั้นนั้นจะเป็นหญ้าหรือใบไม้ก็ตามคร่ามาแล้วนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ย่อมเข้าถึงชาญที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พรามเราขณะเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเดินอยู่ในสมัยนั้นสถานที่ตรงนั้น ก็เรียกว่าที่เดินอันเป็นทิพย์ถ้ายืนอยู่สถานที่ตรงนั้นในสมัยนั้นก็ชื่อว่าที่ยืนอันเป็นทิพย์ถ้านั่งอยู่สถานที่ตรงนั้นในสมัยนั้นก็ชื่อว่าที่นั่งอันเป็นทิพย์ ถ้าสำเร็จการนอนอยู่สถานที่ตรงนั้นในสมัยนั้นก็ชื่อว่าที่นอนอันเป็นทิฟพรามนิแลที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อันเป็นทิฟซึ่งในบัดนี้เราได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยาก โดยไม่ลำบากเลยดังนี้แรลดังนั้นหากเราเมื่อเจริญณ า, าปานสติไปจนถึงการที่เราสามารถสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงชาญนที่หนึ่งที่สองที่สามหรือที่สี่ในที่ใดเมื่อเรามาเจริญชาญนทั้งสี่เหล่านี้ ตื่อมาทำความเพี่ยนเผล่าเกลียดอยู่อย่างนี้ที่นั่นก็เรียกว่าที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนอันเป็นทิปแล้วดังนั้นตอนที่เรากำลังทำความเพลี่ยนเผาเกลียดอยู่ณเวลานี้ที่นั่นก็เรียกว่าที่นั่งที่ยืนที่เดินและที่นอนอันเป็นทิปนั่นเอง วันนี้เราก็ทําความเพียรมาได้สมควรแก่เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจริญอาณาปานสติและสังสมพุทธวัชนะ ก, กันต่อวันนี้ก็พอเพลงเท่านี้ค่ะน่าสนใจมากเลยเห็นไหมคะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าขณะที่เรานั่งทําความเพียรเพรากริเลตอยู่นนะที่ใดที่นั่นกลายเป็นทิพย์ไปแล้วแต่นี่เป็นคําของพระศาสดานะคะคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจงภูมิใจค่ะในทุกที่ที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่เป็นทิพย์วันนี้นมัส ก, การขอบพระคุณพระมาราคขะาวาโรไว้นะโอกาสนี้นะคะนมัส ก, การกับท่านคะ่ะเจริญพร